ธุระของพระก็มีเหมือนกันเราจะอยู่ตามลำพังคนเดียวไม่ได้ต้องมีหมู่มีเพื่อนมีครูมีอาจารย์มีกลุ่มมีคณะปรึกษาปารบเรื่องการเรื่องงานสรุปแล้วก็คือเรื่องหลักธรรมวินยัยพวกเราจะอยู่ด้วยกันได้อย่างไรถ้าห่อต่างคนต่างอยู่ตายไปแล้วก็หมด ไม่มีเยื่อใยไม่มีอะไรสืบทอดต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นการอยู่ของคณะสงฆ์ก็ต้องอาศัยความพร้อมเพียงความสามัคคีอาศัยการเข้าอกเข้าใจตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็พยายามพูดให้เข้าใจจุดนั้นเป็นยังไงให้มอง จุดปัญหาว่าปัญหาเกิดขึ้นมาเพราะอะไรมันมีเหตุอะไรและผลมันจะตามมาอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้คิดเมื่อยุค ข, ของเราเมื่อยุคต่อไปภายภาคหน้าเขาก็ต้องได้คิดอีกอันนี้แปลว่าผู้สืบทอดผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาเมื่อวานเนี่ยก็มีหลวงปู่ทอง หลวงปู่ทุยหลวงปู่ฟักหลวงปู่อุทัยหลวงปู่ประสิทธิ์หลวงปู่กันหาหลายหลวงปู่นะปรึกษาปารบกันหารือกันเรื่องหลักธรรมพิในนี่แหละว่าจะเอายังไงโลกทุกวันนี้เราจะวิ่งตามโลกก็ไม่ได้จะไม่วิ่งตามโลกเฉลยก็ไม่ได้เราจะอยู่ยังไงอันนี้ก็คือ การหารือการประชุมในระหว่างพระผู้ใหญ่หลวงปู่หลวงตาว่างั้นเถอะเนี่ยกว่าจะกลับกว่าจะเสร็จได้ก็เกือบหโมงกว่าจะขึ้นเครื่องกลับมาได้แต่ตามไม่จริงเหนื่อยไหมเหนื่อยมากๆการไปอย่างนั้นตื่นธม า, าตั้งแต่ตีส แต่ว่าเราเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่พระพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ที่ท่านดํารงทรงศาสนาไว้ก่อนหน้าพวกเราท่านก็ทําอย่างนี้ท่านก็ช่วยเหลืออย่างนี้ท่านก็จับกลุ่มกันวิเคราะห์กันยึดหลักธรรมวินยัยให้เป็นหลักแต่นี้ก่อนจะขึ้นเครื่องเมื่อวานนี้ก็มีพระ รที่เป็นพระผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าวาดวัดนาน า, นาชาติที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชาเคยรู้จักกันเคยมาในงานศพของหลวงพ่อปัญญาไก็รู้จักกันพอสมควรท่านก็นเข้ามามากราบหลวงพ่ออายุพรรษาแก่กว่าท่าน ท่านพูดก็น่าคิดเหมือนกันเมื่อวานนหลวงพ่อก็ถามว่าจะขึ้นจะกลับวัดเหรอครับผมจะกลับอุบลวัดนานาชาติลงมาอะไรลงมาประชุมประชุมวันวิสาขาบูชาโลกนี่ยแล้ววันวิสาขาบูชาโลกที่เขาจัดในเมืองไทยแล้วก็มีพระมามากไหมโอ้มีมาก สังคราชเขมรสังคราชลาวสีลังกาพาม่าครบหมดถึงจีนเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นเนปาลอินดงอินเดียครบทั่วโลกยุโรปแอฟริกามามากเขาก็เชิญผมนิมนต์ผมลงมาถ้าผมไม่ลงก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะไม่ให้วีซ่าผม ท่านพูดติดตลบผมก็เลยลงมาลงมาประชุมเป็นไงละการประชุมการประชุมวันแรกนะไม่ได้เหลืองอา้าวทำไมจะว่าอย่างนั้นคนทั้งโลกมาประชุมกันน่าจะมีกฎเกณฑ์พูดอะไรมีอะไรเมื่อน่าจะพูดอย่างงั้นดูๆแล้วมันยังไงบนเนี่ยก็คือผู้ที่จัดในเมืองไทยนี่ก็เหมือนกับไม่ ไม่รู้เรื่องของพุทธศาสนาดึกซึ้งเท่าที่ควรเราก็ถามย้ำกั น, ปนไปงโดยมากพอมาไปชุมกันแล้วพระสงฆ์ก็หารือกันไปชุมกันเป็นเบื้องต้นคือการสั่งสรรกั น, นต่อมาก็นั่นตอนรับนักการเมืองของเมืองไทยที่เขามาพูดพอขึ้นมาเข้ากับตอนรับกันอย่างดีเหมือนกันทีนี้ พอคืนมาบนเวทีแล้วก็พูดพูดพูดพูดพูดพูดพูดพูดพูดในการพูดของนักการเมืองของเมืองไทยเนี่ยในความรู้สึกของผมเขาพูดว่าพระต้องทําอย่างนั้นพระต้องทําอย่างนี้พระต้องทำอย่านพระต้องทําอย่างนี้หน้าที่ของพระเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพอพูดจบเขาก็ลงไปไปทั้งหมดก็มีพระประชุมกันต่อก็มีญาติโยมบ้าง ผมว่าไม่ถูกแต่ตามไม่จริงจะบอกให้พระทําอย่างงุ้นทําอย่างนี้ได้ยังไงเพราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของพระเนี่ยมาพระพุทธศาสน า, พ ร, พ, า, สนาพระพุทธเจ้าท่านวางไว้กับอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสมัมเณมพุทธบริษัทธ์สี่เรจะไปบอกให้พระรักษาทำวินัยรักษาอย่างงุ้นอย่างนี้ได้ยังไงตัวเองรักษาอะไรทำไ ม, ไม่ไม่ดูตัวเองบ้างแสดงว่าไม่ใช่ ไม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องของพุทธนะพระฝรังท่านพูดนะหวงพอฟังเออเข้าท่าว่าถ้าว่ารู้เรื่องของพุทธคือพุทธคือหน้าที่ของตัวตัวของเราด้วยตัวของเราควรจะทำยังไงสำหรับอุบาสกอุบาสิกาคือรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดเยตประพุทธเท้ยพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่ง ยึดแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่สอนเอาไว้ท่านสอนอยังไงให้มีเมตตาอย่างไงกรุณามุทิตาอุเบกขายอย่างไรหน้าที่ของโยมอยู่ในระดับไหนก็น่าจะพูดให้ทั่วถึงกันแต่ไม่ใช่ว่าจะให้พระหน้าที่ของพระควรทําอย่างนั้นควรทําอย่างนี้ควรทำนีน้ควรทํานั้นแล้วก็จบแล้วก็ไปและทันใดพร ะ, ะต่อมาพระก็ไปชุมหาลือกันนู่น ดูนาฬิกา11นาฬิกา45นาทียังค่อยบอกว่าอาหารพร้อมแล้วในมนฑ์ฉันเพนพอเดินออกไปก็ล้างไม้ล้างมือเข้าห้องน้ำห้องท่ามันก็เที่ยงแล้วจากนั้นมากับผ้าก็ลงมือฉันนู่นผมว่ามันบ่ายแล้วฉันเข้าบ่ายไม่ใช่ฉันเข้าเที่ยงทําไมทําไม เมืองไทยทำไมพุทธทำไมชาวพุทธทำไมเรื่องพุทธศาสนาทำไมจึงไม่รู้จักว่าวินยนนั่นคืออะไรท่านว่านะแต่ตามไม่จริงมันสิบอิดสิบโม ง, งกว่ากว่ามก็น่าจะเตรียมตัวได้แล้วฉันจึงหันเพนฉันจึงหันเพนเสร็จแล้วก็ค่อยมาไปชุมกันต่ออันนี้ฉันผมดูนาฬิกานะบ่ายและมีพระไทยฉันมากไหยโอยมากมาก เพราะมันหิวเนี่ยแล้วก็มีพระที่องค์ไม่ฉันก็มีมีอยู่องค์ที่ไม่ฉันท่านดูแล้วมันบ่ายแล้วท่านก็ไม่ฉันท่านก็เตรียมตัวว่าจะมาฉันเพนที่นี่หละเพราะว่าท่านไม่ได้ฉันเช้าอันนี้ผมว่าทำอะไรรู้สึกว่ามันมันไม่ไปตามแถวตามแนวของหลักธรรมวินยัยเท่าที่ควรอันนี้ผมเห็นของผมนะ กันว่าพอประชุมถึงสามวันที่สีผมว่าในประชุมกลับก่อนดูดูแล้วก็พูดยังครับแล้วใครพูดบ้างพระสังขราชเขมรเออพูดดีเหมืั้นสังขราชเขมรพูดเขาพูดภาษาอังกฤษไหมบอกว่าไม่ได้พูดภาษาอังกฤษพูดภาษาของท่านแต่ท่านมีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษอังกฤษอีกทีนึงแต่ฟังเนื้อหาสาระแล้วก็เออดีแล้วก็ ประเทศจีนพูดอีกคนเป็นคนพูดอีกว่าปีต่อไปปีหน้านี่ยประเทศจีนที่เป็นผู้จัดวันวิสาขะโลกก็เลยรับขึ้นมาพูดแต่จีนโอ้เอาการเมืองมาพูดเกินไปมีแต่ว่าเรื่องเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นอะไรลักษณะแถวหลีเหนือเกาหลีใต้ดูๆมีนจะเป็นการเมืองมากเกินไป อันนี้ก็ไม่น่าฟังไม่น่าจะเอาการเมืองการบ้านการเมืองเข้ามาสู่การวัดอันนี้ก็คือพระฝรั่งที่ท่านพูดที่ได้สนทนากับหลวงพ่อท่านพูดก็ น, น่าฟังของท่านนะแล้วก็ถามว่าเดี๋ยวนี้ในความรู้สึกของพระฝรั่งอ่ะชาวโลกทั้งหลายแดนกับพุทธศาสนาเป็นยังไงในความรู้สึกของพวกท่านพ่อพวกเราเนี่ย เป็นชาวไทยก็ไม่รู้ว่าภาษาแต่การนับถือหรือก ข, ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวตะวันตกดรืว่าชาวยุโรปหรือว่าฝรัง่งทั้งหลายเลมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับพุทธศาสนาเรือว่าเขานับถือแบบอยู่ทิศที่อยู่กับที่หรือยขยับทีละน้อยเรื่อว่าเขามีความกระตือรือร้นเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีเหตุผล มากน้อยยังไงแค่ไหนในความรู้สึกในการนับถือของชาวตะวันตกท่านก็เลยตอบว่าสำหรับผมเป็นชาวออส เ, เตรเลียในออส เ, เตรเลียเนี่ยขณะนี้เขาสำรวจดูแล้วว่าประชากรของออสเตรเลียเนี่ยนับถือเรื่องศาสนานี่ศาสนาอะไรมากที่สุด พุทธศาสนาอยู่หลังๆแต่ทุกวันนี้พุทธศาสนาเนี่ยรองลงมาจากคริสต์คริสต์เป็นอันดับหนึ่งพุทธศาสนาเป็นอันดับสองเดี๋ยวนี้ที่ทางรัฐบาลเขาสํารวจประชากรว่านับถือศาสนาอะไรอันนี้หลวงพ่อได้ถามเมื่อวานเนี่ยนะสรุปแล้วก็คือหลวงตามหาบัวมาจุดนี้อีกหลวงตามหาบัวท่าน พระวาสมายุ่งกับพระมากเกินไปพระอย่าเป็นโลกมากเกินไปศาสนาจะเป็นศาสนาปฏิรูปมันจะวิ่งตามโลกเกินไปหลักธรรมวินัยมันจะหมดมันจะล่อยหลอเพราะนั้นพระต้องอยู่อย่างพระพระต้องอยู่แบบพระพระจงมีศักดิ์ศรีของพระพระต้องอยู่ในหลักธรรมวินยัยยึดทมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นหลักแต่ถ้าว่าเรายึดเอาโลกมา เป็นกระจกเงาหรือ ว, ว่าพยายามวิ่งให้ตาตามโลกจนมากเกินไปหมดหมดพุทธศาสนาหมดในหัวใจก่อนพอหมดในหัวใจแล้วกับหมดในการประพฤติต่อไปต่อมา ก, กับหมดในการกระทาเห็นว่าผ้าจีวรก็ไม่จำเป็นมันอยู่ที่ใจมันอยู่ในความรู้สึกสอนคนให้เป็นคนดีเท่านั้นแะ ผลนส่วนเเลยหมดพุทธศาสนามันจะหมดไปทีละน้อยละน้อยไม่ใช่ม้อยนะมันมากเลยทุกวนันนี่นี่หละหลวงตามท่านอายุเท่าแก่ชราแล้วท่านออกมาพูดอกิเลสกิเลสกิเลสกิเลสกิเลสแฟนว่านกิเลสกิเลสหน้าด้านกิเลสวิ่งตามกิเลสหลวงตาท่านพูด คำนี้เน่ยถ้าหลวงตาผ่านไปแล้วพวกเราที่เป็นลูกหลานเนี่ะจะสานึกจะสํานึกสำเนียกนะหลวงตาเนี่พูดถูกเพราะงั้นในวันพรุ่งนี้เป็นวันจะถึงวันวิสาขาบูชาของพวกเราแล้วเพราะนั้นพวกเราทุกทุกคนนะที่เป็นพระแล้วก็เป็นญาติโยมที่มานั่งฟังหลวงพ่อพูดถึงยังไงถึงพวกเราจะไม่กี่คน แต่ขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมในด้านจิตใจของพวกเราเพราะวันพรุ่งนี้เป็นวันสาคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันเกิดมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเป็นวันที่ตัดสรู้ธรร ม, มันยิ่งใหญ่ของมหาบุรุษของโลกรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ไม่มาเกิดแก่เจ็บตาย แล้วก็เป็นวันละสังขารปริปรนิพานของมหาบุรุษของโลกในวันเดียวกันคือวันพรุ่งนี้คือพระพุทธเจ้าของพวกเราไปสู่ตัสรู้ปรินิพานคือมหาบุรุษของโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เขาจึงวันเป็นวันสากลของพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาสากลเป็นที่รองยอมรับกันทั่วโลก เพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัทให้ตั้งอกตั้งใจเป็นปฏิบัติพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาวันพรุ่งนี้ผู้ที่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลที่ผ่า น, านมาวันพรุ่งนะี้มีมากเพราะท่านตั้งใจผู้ที่ทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งได้ก็มากเพราะท่านตั้งใจเอาจริงเอาจัง เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในวันวิสาขบูชาที่จะถึงวันพรุ่งนี้ให้พวกเราริเริ่มตั้งอกตั้งใจตั้งป้อมตั้งเป้าเอาไว้ว่าข้าพเจ้าจะทำจิตให้สงบให้ได้ข้าพเจ้าจะไม่คิดไปทางอื่นข้าพเจ้าจะไม่คิดปุงมฟุ้งซ่านไปทางอื่นวันพรุ่งนี้ตลอดทั้งวันเราข้าพเจ้าจะรักษาระดับจิตของข้าพเจ้าให้คงที่ในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่วันนี้แหละตั้งแต่เที่ยงคืนวันพุ่งนี้แหะเป็นต้นไปเป็นอย่างน้อยจนถึงวันเที่ยงคืนวันต่อไปหรือตั้งหรือตั้งแต่ตามที่จริงในหลักของพุทธศาสนาก็คือตั้งแต่หกโมงเชา้าคือสว่างพอเริ่มสว่างเป็นวันใหม่แสงอรุณขึ้นนั่นแหละขั้นนับเป็นวันใหม่ของวันวิสาขะแล้วก็ตลอดถึงทั้งคืนอีก จนถึงวันอรุณขึ้นวันรุ่งขึ้นจึงเป็นวันใหม่อีกต่อไปแปลว่าตั้งแต่อรุณขึ้นวันพุ่งนี้จนถึงอรุณวันอรุณวันรุ่งขึ้นวันอื่นต่อไปแปลวันใน24ชั่วโมงนั้เป็นวันวิสาขาบูชาเพราะนั้นเราควรจะปฏิบัติตนให้ดีอย่าไปโลภอย่าไปโกรธให้แก่ใครรักษาระดับจิตใจของตนเองไว้ ให้อย่าให้มันกระเพื่อมให้ดูใจของตนเองให้มีสัจจคือความจริงใจไว้หนุนอยู่ในใจเสมอในวันนั้นข้าพเจ้าจะไม่โกรธจะไม่โมโหโทโศไข่ข้าพเจ้าจะทำจิตให้สงบข้าพเจ้าจะจาทำจิตให้อยู่กับตัวการเคลื่อนไหวทุกอริยบทข้าพเจ้าจะให้มีสติอยู่กับตัวเองอันนี้แหละเป็นพุทธบูชา ร, รมบูชาสังฆบูชา อย่าส่งจิตออกไปข้างนอกให้สติกับจิตอยู่กับตัวเองเจนตลอดเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะพยายามพยายามอย่างนี้พยายามทำใจอย่างนี้นั่นแหละเป็นหนทางที่ถูกต้องที่สุดแต่ส่วนอื่นเราก็ทำคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลประกอบไปด้วยเพราะว่า เพราะว่าเป็นวันสําคัญรักษาศีลก็คืออันดับแรกอย่างน้อยที่สุดก็คือศีลห้าถ้ามากกว่า น, นั้นก็คือรักษาอุโบสถศีลห้าเนื้อควรจะเป็นศีลพื้นฐานของพวกเราเพราะว่าเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตร ตระรุปรินิพานในสามการอยู่ในวันเดียวกันคือวันวิสาขาบูชาการคุณทำการทาคุณงามความดีไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นอย่างที่พระฝรังท่านพูดไม่ใช่ว่าคุณควรจะทำางั้นคุณควรจะทาอย่างนี้ตัวเองทำควรทำอย่างไรตัวเองต้องการความสุขไหม ตรตัวเองควรจะทํำยังไงกับตัวเองตัวเองจะไม่ตายใช่ไหมตัวเองไม่ใช่ชาวพุทธใช่ไหมตัวเองจะไม่อยู่ในโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมตัวเองเหนือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมตัวเองไม่สักไม่ต้องปฏิบัติตัวเองแล้วใช่ไหมตัวเองเลิศเปิดเสิฐดีหมดทุกทุกอย่างแล้วใช่ไหมตัวเองหมดกิเลสราคะโทสะโมหะ บริบูรณ์แล้วใช่ไหมถ้าถามเข้ามาแล้วตัวเองมันแย่ yeah. <c oughs> ยิ่งกว่าอะไรอีกเพราะนั้นเมื่อเราต้องการความดีเมื่อต้องเมื่อเราต้องการเป็นคนดีเมื่อเราต้องการกจิตใจของเราให้สูงส่งตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าชำรกิยเลดราคะโทสะโมหะออกจา ก, ก จ, จิตใจตัวเราควรทำอย่างไรเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกทุ ก, ท, กท่าน ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นเขาเป็นเศรษฐีเ็คือเศรษฐีของเขาเขามีเงินก็เป็นเงินของเขาเรายากจนยังไงเราก็ยากจนอย่างนั้นถ้าเราสะแสวงหาทรัพย์เงินขึ้นมาบาทหนึ่งบาทร้อยบาทพันบาท1มื่นบาทแ0 0บาทร0อยล้านพันล้านก็เป็นสมบัติของเราเราเป็นผู้หาเองเราเป็นผู้สะแสวงเองเราเป็นผู้ทําเองคนอื่นทาให้เราไม่ได้วันนั้น ในหลักของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตัดกล่าวไว้ให้พวกเราประพฤติปฏิบัติท่านสอนให้แปลพวกเรานะพุทธบริษัทสี่คือใครพุทธบริษัทสี่คือโยมพุทธบริษัทสี่คือพระใช่ทั้งคือโยมทั้งคือพระด้วยถ้าไม่ไม่ทั้งหนึ่งสองสามจะไปถึงสีได้ยังไง ก่อนที่จะถึงสีได้มันก็ต้องนึกหนึ่งพระสองเนนสามโยมผู้ชายสี่โยมผู้หญิงมันจึงถึงจะถึงสีได้ถ้าหาว่านับแต่พระองค์เดียวเกิดทว่าพุทธบริษัทหนึ่งจะว่าสีได้ยังไงในเพื่อพุทธบริษัทสีมันก็ต้องรวมกันทุกคนในเมื่อพุทธบริบรษัทสีรวมกันเป็นสีแล้วทีหนึ่งพระควรทาความดีเท่านั้น สามคนไม่จำเป็นอย่างนั้นเหรอเรื่อพระมีแต่กินข้าวพระฉันข้าวองเดียวคนอื่นไม่ต้องกินอย่างนั้นเหรอถ้าว่าทุกคนต้องการกินข้าวต้องการความสุขต้องควต้องการความเอิบอิ่มต้องการความสุขมันก็ต้องร่วมกันกินข้าวเด็กควรกินยังไงผู้ใหญ่ควรกินยังไงคนแก่ควรกินยังไง นี่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้แล้วสินสำหรับคราวาสคืออะไรคือสินห้าอันนี้คือสินของคราวาสสินแปดสินของคราวาสคราวาสธรรมธรรมของคราวาสควปรประพฤติตนอย่างไรคราวาสอยู่กับพ่อแม่ควรทําตัวอย่างไรพ่อแม่กับลูกควรปฏิบัติตัวอย่างไรการเาะเสวงหาทรัพย์ของฆราวาสอยู่ในกรอบไหน มิตรการสอบเสวงหาทรัพย์ท่านก็ บ, บอกว่ามิตรชาวชาวันิาชาคือการค้าขายไม่ชอบทำห้าอย่างอย่างเนี้ค้าขายมนุษย์ค้าขายปเครื่องประหานค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษอะไรลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็คือการค้าขายของมนุษย์ของคนสาหรับพระจมเนน ที่อยู่ในพุทธศาสนาท่านควรให้ทำตัวอย่างไรเพราะพุทธเจ้าท่านก็สอนให้อยู่ในหลักธรรมวินัยสินสองรี่สคือสินของพระสินสิบคือกิจสินของสัมมเนอันนี้คือพื้นฐานผู้ที่จะเป็นคนดีได้ต้องอยู่ในกรอบสินถ้าพระไม่มีสินก็เหมือนกับฆราวาสยิ่งกว่าฆรวาสไปใช้อีกเพราะว่าครวาสเขาไม่มีศิน เขาก็ทํามาค้าขายเลี้ยงชีวิตเลี้ยงชีพด้วยตนเองแต่ถ้าว่าเป็นพระไม่มีศินกินของชาวบ้านใช้ของชาวบ้านอันนี้ไปว่าเอาเปรียบชาวบ้านชาวบ้านที่เขาให้มาบริจาคมาก็เห็นว่าพระเป็นผู้มีศินอยากจะได้บุญกับพระผู้ทรงศินเพราะนั้นพระ ต้องสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสินอันนี้ก็คือเบื้องต้นจากนั้นก็ภาวนาสินสมาธิทำจิตให้สงบจากนั้นก็เดินปัญญาอันนี้คือหน้าที่ของพระหน้าที่ของญาติโยมพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรหน้าที่ของญาติโยมทานให้มีการเสียสละ ต่อพ่อต่อแม่ต่อพี่ต่อน้องต่อวงสาคานายาติเมื่อเสาะแสวงหาทรัพย์มาได้แล้วอย่าไปนคนเห็นแก่ตัวจนมองใครไม่ได้ไม่มีการเสียสละให้แก่มนุษย์หน้าไหนอันนั้นไม่ถูกต้องเราเป็นฆราวาส ต, ต้องมีการเสียสละโยทานะคือการให้ศีระคือรักษาศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยก็คือรักษาศีลห้ารักษาศีลอุโพสถศีลคือศีลของฆราวาส ทานศีลภาวนาภาวนาก็พยายามทำจิตให้จิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งคนที่จิตใจปุ่งฟุง้งซ่านคิดไม่รู้จักจบไม่รู้จักจบไม่รู้จักสินส้นสิ้นไม่คิดจนตัวเองไม่คิดว่าตัวเองจะตายคิดว่าในโลกจั ก, กรวาลนี่จะเป็นของตัวเองทั้งหมดรักก็รักจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้น โกรธก็โกรธจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นหลงก็หลงจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นหลงคิดว่าตัวเองจะไม่ตายจะอยู่ในโลกนี้โช่วฟ้าดินสลายอันนี้แปลว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ให้ทานรักษาศีลภาวนาคือภาวนาก็คือแยกแยะอันไหนถูกอันไหนควรอันไหนไม่ถูกอันไหนไม่ควรอันไหน เป็นคุณงามความดีอันไหนเป็นบุญเป็นกุศลอันไหนควรทําอันไหนไม่ควรทำํำออันนี้คือภาวนาภาวนาไปไว่าแยกแยะสิ่งดีสิ่งชั่วออกจากกายวายใจาใจของเราอันนี้ก็คือหน้าที่ของครวญแต่ว่าพวกเราต้องการความสุขความสงบความร่มเย็นเป็นสุขเราก็ควรจะมีทานมีศีลมีภาวนาอย่างที่กล่าวมาสําหรับพระก็คือศีล ส, สมาธิปัญญาเอ เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านนะวันพุ่งนี้เป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งแต่หลวงพ่อเองก็คงจะนัดพระเนนญาติโยมขึ้นไปทาพระทักษิณรอบเจดีย์ผูก้อนเวียนเทียนว่างั้นแหละเป็นพุทธบูชาทรรมบูชาสังฆบูชาสําหรับญาติโยมได้ยินว่าจะไปทุ่งสีเมืองแล้วก็จะมีการทอดผ้าป่าที่นั่นหลวงองค์หลวงตาจะ มาแสดงธรรมเทศนาที่ทุ่งสีเมืองวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายแต่หลวงองค์หลวงตาจะมาเทศนาได้หรือเปล่าว่าท่านหลวงตาก็ไม่ค่อยสบายนะแต่ถึงยังไงท่านก็คงจะมาเมตตามาพูดนิดๆหน้ น, นๆก็ยังดีให้พี่น้องลูกหลานได้เห็นองค์หลวงตาองค์หลวงตาเป็นพระผู้เท่าหน้าเขาหน้ากราบไหว้ น้าเคารพสักการบูชาได้เห็นหลวงตากะแปลว่าเป็นขวัญตาขวัญใจสัมมนานันจะทัศนังการได้เห็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นมงคลอันสูงสุดเนี่ยถ้าไปเห็นโจรผู้ร้ายที่เขาจะเอาไปตัดคอไม่ใช่มงคลอันสูงสุดนะเป็นอัปมงคลเห็นแล้วควรจะมาล้างตาอีกทีหนึ่งควรจะมาล้างใจอีกทีหนึ่ง แต่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมเห็นพระสงฆ์เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยอันนี้แปล ว, ว่าสัมนนา น, นจะทัศนังสเห็นสมณะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอตมังขารมตุตตมังเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้หลวงตา ก, ก็คงจะมาแสดงธรรมที่ทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรจากนั้นก็พี่น้องประชาชนทางจังหวัดเขาเขาคงจัด ก, กิ จ, จ ก, กรรม ต่อต้านยาเสพติดอะไรของเขาเนะี่ยแต่ฉน้นพวกเราก็นี่แหละวันพุธนี้ก็คงจะขึ้นไปผูกก้อนตอนบ่ายสามโมงจะสาหรับพวกในครัวของเราก็อย่างปฏิบัติอย่างที่ครั้งก่อนๆ น, นั่นนะเอาน้ําขึ้นไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงนักลงนักเรียนสิ่งไหนที่ขาดเหลือขาดตกพกแกวพวกจอกโคกอะไรก็พยายามเตรียมเตรียม ให้พร้อมแล้วน่ะเผื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลี้ยงน้ำเลี้ยงถ่าคนไปทำบุญทำทาน <c ười> เกิดมาพบใดชาติใดคนทำบุญทำทานหล่มเย็นเป็นฉุกทั้งนั้นคนที่ไม่มีการเสียสละคนที่ไม่รู้จักทำบุญทำดานเกิดมาพบใดชาติใดที่เหี่ยวแห้งอับเฉา <c ười> เปล่าเปี่ยวเดียวดายหาใครที่จะช่วยหาใครที่จะดูแลไม่ได้เพราะอเนรสง บาป บ, บุญไม่ไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้เอาต่อไปรับพรเอารับพรนะทีนะ